พูดถึงโรงกาดหนาเป็ น, อนของละเอียดละเอียดมากยากที่จะเข้าใจหากฟังเทศบุตไม่ถูกจัดแลอวก็จะฟังไม่ถูกแรงเพราะยากที่จะเข้าใจ ได้ศาสนาเสียงผิวเขินเพรว่าการปฏิบัติไปย่งงนั้นเข้าใจศาสนาไม่ถึงแปนถิวละที่ประเทนต่างๆผือเจ้าู้ผีผีศาสต์ ด, ด้เข้าสรงตลอดทึ้งศยศาสตร์ บางทีรามให้มาเป็นศาสนาทั้งหมดแยกตัวนี้ไม่จะให้เข้าใจศาสนาอัค์เอศาสนาไม่ใช่เรื่องของสักดิ์สิทธิอะไรนะัดที่จะทำให้คนคนเกจากต้องเกิดใก่เกิดตายไม่ดี าศาสนาไม่ใช่ของกติิาอย่างนั้นเมื่อถึงวิกฤตวะเฤตเมื่อเกิดวิกฤตวิกฤตไม่เป็นอันตรายรอดัยไปได้เ น, นี่ยว่าศาสนาคุ้มครองน่าเป็นคนขเอข้าใจทุกคนกัน ต้องเข้าใจว่าเฉพาะบุคคลคนนี้ที่นับถือที่นับถือความศักดิ์สิทธิ์อาหากว่าตอนนั้นแม่ของเกิดปะทาหตุรงนั้นเกิดอันตรายขึ้นมาเราจะหาว่าศาสนาในแขงศาสนาในจริงไม่จะเป็นอย่างนั้นเสียศาสนานั้น ไม่ใชสอนมให้เกิดไม่แก่เกิดตายแค่ที่จริงสอนว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเกิดต้องตายเป็นแต่โดสภาพตามสภาพของราฐานร่างการเกิดแล้วต้องตายทั้งที่สุด ถ้าไม่อยากเกิดไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดถ้เกิดมาแล้วต้องตายดีดีเนี่ยเพะไม่มเชืเ่อใจว่าตายก่อนตายหลังตายยังหนุ่มยังน้อยอยู่ลูกตายแก่เท่าชาราสางสภาพขรงสังขารบางทีพ่อแม่ตายก่อนลูก บางทีโลกตายของพ่อแม่ไม่ถอว่าธรรมรมลิกิแตแปลมาให้เพียงแค่นั้นนันเป็นผมรม่ไดิตเป็นความพาดไปก็แล้วในทางพุทธศาสนาท่านสอนว่าเิอมาต้องตายเิอมาต้องแก่ต้องตายต้องเจ็ดต้างตาย เพ่อที่จะพ้นจากความตายนั้นที่อจะให้พ้นจากความตายที่อยากเกิดการที่จะให้เกิดเป็นของยากทํายากเลือขนาดนี่เป็นความจริงที่เป็นความเป็นความเท็จจริงในทางพิพิธศาสนาพก็ฉะนั้น การที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าถึงแก่แท้มันยากอยู่กษารพุทธศาสน า, า, าที่แท้จริงต้องถึงหัวใจถึงใ จ, จ ก, ก่อนไม่ถึงแก่ศาสนาเพราะศาสนาสอนถึงหัวใจคน ใจคิดดีคิดเชื่อคิดง่ายคิดละเอียดเรือว่าคดจบ็นเนเป็นบาปเกิดจากหวใจคนเดียวถ้าไม่ถึงใจ ก, กดด็จะไม่เห็นบาปไม่ทึงเว่งคิดดีคิดเช่จะไม่เห็นใจนั้นทิ้งว่างทิ้งของกลาง ถึงใจแท้เป็นของกลางคือไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีดีไมีชั่วไม่คิดหนา้าคิดหลังเป็นของกลางกลางเป็ น, นอ ข, อของเดิมนั่นแหละทิ้งถึงทิ้งพุทธศาสนาขึ้นถึงข้างเดิมใช่ปะการถึงข้างเดิมนี้ คือว่าไม่ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หละเอียดนั่งจิ้ม้งองเดิมใช่ไหมจนจะเห็นของดีและของชัว่วหยาบไปละเอียดได้ถ้าไม่คันจิ้ม้องเดิมเมื่อกราบใดก็ยังไม่เห็นดีไม่ชั่วไม่หยาบลอียั้องเดิมของกราบ ดีเกิดจากของกลางเชื่อเกิดจากของก้างมันยากเักาะนตรงนี้แหละพิธีศษษาสนาคิดดีก็ไม่เห็นคิดช่วง็ไม่รู้คิดง่ายคิดละเอเยดก็ไม่รู้ไม่ถือตรงคิดนั้นเอง เปนของตอนของตัวต้องคิดอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องกาสนาไปหมดถ้าเรามาเปลี่ยปเรื่องกระเถานำเต้าในเวลาทานเถียงเล่ยนเป็นกระเถานำเต้ามันต้องเกิดจาก เงาอันเดียวกันแตกขาขาเอาไ ป, เ, ปเล็กเลกขเป็นจิงเลขจิงน้อยแตกขาขาไปเป็นแ่าเลขแถบน้อยแผ่ไปกระจะายทั่ววัดทั่วทั่วไรทว่ทั่วส่วนถ้าหากว่าจะเปลี่ยนในสมัยใหม่ ก็เท่าเหมือนกับไปฟ้ า, า, าก็จคุ่ดเดียวทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ไม่ถนัดก็ไม่ถนัดเหมือนกับเทานั้นเต้าเทานั้นเต้านั้นไอ้ไปฟ้านั้นติด oh. สวิตก็ดับหมดทั้งบ้านเลย ทั่วมัดทั้งเมืองเลยเขาเปิดคุ้ยาก็สางทววมัดทังบ้านทังเมืองแต่เถาน้นเก้านั่นแหละขึ้นถึงเถาน้ำก้านั้นตรงจรุดเดียวก็จริง เ, เมื่อตัดต้นข้าวต้นเงาของมนแล้ว มันไม่แช่มันดับที่เดียวไม่ใช่กันต้ายทีเดียวมันค่อยเฉาค่อยเหวไปโดยังดับเขาน้นเป้ามันขั้นข้างงอกกันงอกจากทีเดียวมันตายก็ตายจากที่เดียวแต่ไม่ไม่ตายดับที่เดียวมันต้องเฉา มันก็แห้งไปโดยลำดับถ้านอ่เปียบมันมันตายเสียบนันคือใจของเราถ้ามีใจเป็นตัวกลางนั่นแล้วมันจะยังรู้ทั่วทั้งตาหูจมูกนิ้ามใจงอมรู้สิ่งสารพัดส่างหมดเกืดอแตใจตัวเดียว ถ้าหากใจดับคลองเรานั้นก็จะค่อยงับดับเป็นส่วนไปถ้าหูจะหมกจะดับเป็นส่วนไปคือมไม่ไม่ไปยึดไปถือคือไม่ไม่ส่งสายไปคือไม่ออกไม่ไม่ออกไปยึดนจะตั้งอยู่ในที่เดียว มนนนันเกียบมันกตเทานันเตาแต่มันไม่ตายทีเดียวมันได้ส่งไปยึดในตาเห็นก็ไม่ส่งไปยึดหูแต่ยินก็ไม่ส่งสปยิตถ้ามือถูกกลื้มถูกลดกายถูกสัมผัส แม้แต่ใจความคิดความมุขมันก็ไม่ส่งไปแต่มันไปรู้อยู่รู้ตัวเดิมอยู่แต่ไปเมื่มันมันมันจะไปยึดแม้จงเจ็บมันก็ถองเกาถ้าหากว่าสงบไปแล้ว ในทางดีทางบุญทางกุศลคิดทั้บุญทังกุศลคิดในทางที่มีศีนมีสุขิดในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดในแต่ทางธรรมอันนั้นเรียกว่า บุญเเลือกได้อ่อน่าเป็นตัวบุญถ้าคิดเร็วสามคิดอีกคิดขดหยาดัญญาฏารนางาล้านสองแล้วก็รู้ได้ว่านั่ น, นเป็นคุณสมบัติเรดตรงใจประดับตรงใจใกลางนันงนใจกลางมันเฉย อันนี้มันคิดทั้งดีทั้งเลกลอรู้ได้ขนาดนั้นจริงไหมถ้าหากถึงใจกลางรู้ตัวเองว่าเป็นบุญจนบาปว่าคิดผิดคิดเกลรู้ได้ตัวตนเองถ้าหากว่าจิดคิดในทางเลวมาก แสดงวันนี้ใจของเรายัางเร็วมากถ้าชิตในทางดีทางชอบมากแสดงวันนี้ใจเราค่อยสะอาดสะอานขึ้นมา้ค่อยดีขึ้นมาแล้วรในทั้งเสื่อดปตรนั้นถ้าถูกทางพิพิศาสนารียกว่า มันคิดทางดีบันชอบมากคือจะศาสตร์สอนในละชั่วทำดีในละได้มากแต่น้อยเราเพียงแค่ไหนก็เห็นตรงนั้นแหยึดใส่ของเรามันชอบไหมเราเห็นตรงนั้นเลยน้อยินดีในทางใดรักฝ่ายในทางใด ดีไช่วเราก็รู้แล้วที่เขาเด็กนี่ทางทุทธกาสนาเราจะสังเกตไปตรงนี้จิตใองเราตรงนั้นการละชั่วทาดีตื้นในง่ายมาเป็นทุกธศาสนาแปลว่าถ้าหาก ไม่เข้าถึงใจยากที่จะเห็นการถึงเรื่องพิรุษกาลไม่แน่นแท้จริงเสี้ยมันจะนําเก้าเสานําเก้าจับหกให้มันได้จับต้นให้มันได้จะไปจับปลายจับปลายมันเด็ดยอดมันมันเถามันออกแต่เด็กยอดมันยิ่งแตกใหญ่ คือไปตามทั้งเรื่องใจภายนอกต้อส่งออกายนอกดชั่วคิดดีอะไรต่างๆจะตามโดยสิ่งที่คิดไปนวดตั้งใจจะละตั้งใจจะถอนตั้งใจจะทิ้งไม่นิ่งจ่งใหญ่ไม่คิดใหญ่ต้องตั้งใจว่าจะไปทิ้งนั่นแหละของที่มันคิดไม่ถง เช่นเราคิดไปการงานคิดไปประกอบภุราพ า, าธกิจต่างๆให้คิดไปทิ้งไปหมภาระหนึ่งเพื่อนึงมันไม่หมดเรื่องคิดดีคิดเชื่อคิดย่างคละเอียดทั้งข่ายนอกออกไปอย่าไปคิดตามย้อนกลับขึ้นมาหาจิตผูคิดอย่าไปหาต้นเห่าของมัน ละตรงนี้ละหมดเรื่องมืจักอย่างนี้แล้วละเดิมหน้าหน้าเต็มกดทั้งหลายจะมากหม า, ายสักเท่าไรก็ตามทีฉันออกไปจากอันนี้ทั้งนั้นก็จะออกจากต้นต่ อ, ตอ น, นี้ทั้งนั้ น, นเมื่อสติเข้าไปควบคุง ตัวจิตตรงนั้นจิตตรงนั้นจะรู้สึกว่าถอนทิกงไปทีเดียวความโกรธความโลภ ก, ก็มันเกิดขึ้นมาไม่เกิดจากไหนจะไปชำระท่องแผ่นออกไม่ได้ทังโกรธตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างโลภในสิ่งของอะไรต่างสะไปทิ้งเน้นจะไปหวางโั้นไม่ได้ ถ้าเข้ามาถึงตัวใจที่ตัวกลางมันออกไปจากนี้จะติควบคุมตัวจิตนั่นไว้ให้จะเข้าถึงใจจะสงบทันทีทันใดมีใ น, นทางวิทยาศาสนาสอนในทางอย่างนี้แหละวิธีฝึกในวิธีอบรมฝึกฝนต้น สำนัใจของตนอันเดียวเท่านั้นไม่ต้องสํานักอื่นใดก็เป็นว่าหมดเรื่องไม่ต้องไปสํานักอื่นใดศาสํานาที่ไม่จะเทศเลยมากมายเลยก็มาเข้ามาถึงหัวใจตรงจุดอันเดียวเท่านั้นในนั้นพุทธศาสนาจึงใครท่านสอนเป็น ใ, ใ, ใจสํานักของใจของต น, นไม่ต้องไปรุ่มเรื่มากมายหลากหลาย การที่จะให้สมุดในสําัให้สะารกมดจต้องเอาตรงนี้เอาละพอจะมีสติสมุดจิดให้มันถึงชื่ถึงอะไรถึงที่แต่สารสุดพอให้อนุโลมเพให้จิตอนาลโลมอนุมาณเราคือเข้าถึงความเป็นหนึ่งไวก่อนความเป็นหนึ่งอะนะไม่มีอะไรหรอกควว่างความจุเอ้ย แต่นั่นมันมีอะไรล่อเฉยมันคุกอยได้นานเพื่เท่าไก็เอาคนที่เฉยนี er s. <S okay. ่หละเป็นเกิดของสนคดของหนึบของสั่มันก็น่าที่มันเฉยจจนว่างจนาอยู่นั้นมีมคิดมันไ่ได้แต่เวลาชื่มันจะคิดกจะสนใจจะแฝงอร่างนั้นมันออกไปจากคนนั้นนอนั้นให เปก่อนเปิดต้นคลองกลางคลองว่างๆนั่นแล้วอากุผโ่ไปตั้งไว้ตรงนั้นแหละฝึกโผ่เปตั้งเอาเพื่อเป็นเส้นยู่ทั้่ใจให้สงบก่ต น, นถ้าหากไม่ฝึกโผล่เป็นเส้นยืนมันลมเจ็มันใสก็ไม่รู้มันยูนก็ไม่รู้นันไม่รู้เรื่องทังใจ แล้วพอเรก่าใจใจจะทำอเรื่องของใจติดนึกสงสัยเลือดล้อเมื่อนวายให้ทางมดดีเ่วยงานละเอืยดดีช่วยแห่งสังข์ขอใจนั้นเนี่ยจะหาวาเห็นจปัหาว่ามุดึงคงว่างทำติดเหวี่ยงอะไรเนี่ยมัตัวรู้หรักนะทำใมคิดไปครัน ส, สงสารสงแสบประดุจการงสารมันเงินมันจุกมากไม่เข้ามาถึงตรงนั้นแหละของว่างนันมาหายไปหมดถ้ามีเครืองยึดอย่างนี้ทางคนเตียนโทานาถ้ามีเครื่องย็ดอย่างนี้ทั้งแล้วเข้าถึงใจตรงนั้นแล้วเหงนชัดในใจของตนง่าง ไ, ไปไหน การตุกการสบาการที่ไม่มีอะไรทั้งหมดอนนั้นตุกแขมีที่จะตุกทุกข์ก็ควรวุ่นวายเดือนร้อเพราะตรงปลุงควรแต่งแต่ขนก็บางทีก็ยู่งขถ้าไม่ต้องว่าตัวไม่สบายไม่มีอุบายสัญญาอยากจะคิดัวนี้เพื่มมีอุบายสัญญา ทำเนพูดว่าโมหุตสลบหลงหลงอะไรหลงสงกเป็นทุกข์หลงทุกข์เป็นสุกอันนี้แหละความมุ่นหมายสงสัยต่างๆนั้นเข้าใจเป็นของดีความสงบเข้าใจเป็นของชพื่นอะไรหลงทุกข์เป็นทุกขทีความไม่รู้นั่นเองถ้ารู้าตามตรงจริงแล้วคิดนิดเรื่อง้ายสงสัยต่างๆมากมาย การกัจจันต์นเก่าฉันโคษเขาไห ม, มความสงบศึกยิ่งศึกเลยอย่างเป็นย็นสบายที่สุดมันต้องศึกอย่างยิ่งมันก็ต้องกายขอมาหาสมุทรมาสิทําไงมันเรื่งองแบบจัดขวางความสุขมันกับต่อวางความสุขของมดให้ยึดหลักอันนี้เลยไว้เป็นะมาให้ยึดหลักอันนี้ไว้เป็นเกณฑ์ จะทำคนเปลี่ยนภาวนายังไงกันถ้ามันมีหลักไม่มีหลักอันี้แล้วจับยึดหลักนี้ได้แล้ไม่มีจิตภาคเลยนะพระพุทธเจ้าทนก็สอนสติไปเรื่อยๆควบุมก็มแบบสุดผลมาเป็นอนเดียวนี่แหละ้องเข้าถึงใจเดียวนี่แหละจิตเพื่ออสติเพื่อควบิตเพื่ควคิตอยู่แล้วมันกะรวมเข้มาเป็นใจ การที่มันคินิดถึงแสงอาานั้นติคุ้มไว้ขังนอรนาขงสิ่้วมันจะเข้ามาเป็นใจเข้าเป็นใจอยู่ทันจะออกไปเขาก็ไปพิจารณาอีกซึงาทีมันค่อยพิจาาแล้วเกาวถึงแสง่ากาข้างหลังนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมสติมันต้งอยู่ในอำนาจของ สติบางทีแรกงานมันตรงกายหรือว่าการต่างๆนั้นทุกแกงหรือ่าการต่างๆ น, น, นั้นมนาจของสติออกจากทางนี้ทมันเข้ามาต้นใจแล้วออกแต่มันต้องเรียนอำนาจของสติอยากจะให้อยากจะติดติอยากจะพิจารณาจะิจารณามันก็นนส่งไัก็ส่งจารู้ตัวดีแต่แล้วมันก็กับขึ้นมาทาง่อเก่า ถ้าเรื่องจิตฝึกแทกสัมผัสอันนี้แหละคือมันเขามาในม่ของเราต้องนี้แหละ่รงแม่ของสติเลยเอาทำผมเปี่ยนต่อตั้งจิตตั้งนึกที่จมามางนั่งสังที่อธิบายแล้วังแล้วเช่นอานาปารสติมมรณาสติหนาตาตินี่เป็นที่ตั้งของสมรมฐาน อย่างดีคิดอะไรทั้งนนถ้ามาลงมรณาพุทธิแล้วมันก็หมดเรื่องที่อวรตามันจะมีอะรเหลือมนุษย์ของเราแต่ก็หมดเรื่องหมดแล้วเลยมีคินึกอะไรอวันถึงนัรนอยางนี้ม่นก็ไม่ได้อะไรอวันมันก็ไม่ไม่เสร็จของเรา เราขอาจะต้องล่าจิงไปเป็นธรรมดาจิงเรา ม, มา dana เรือตรีเป็นคนสำคัญหนุงถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นวา น, นาเรือตรีมันวางมัดมันเหลือแต่จิตอย่นงเดียวนันก็เป็นรรมสมาธิท่งนั้นีมันไม่วาง มันจะละไอมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเล